มารักษาสิ่งมาระบากมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะมีความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอาหารหันตาสาวุขของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ได้ตัดสริได้บรรลุ ได้มีดวงตาเห็นสิ่งต่างๆที่พวกเราไม่ได้เห็นกันคือเห็นโลกทิพย์เห็นกายทิพย์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นที่อยู่ของกายทิพย์ต่างๆว่ามีทั้งสวรรค์มีทั้งอบายพวกเราถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้ากับพระอารหันตสาวก ก็เป็นเหมือนคนตาบอดเพราะเราไม่สามารถเห็นกายทิพย์ได้ไม่สามารถเห็นโลกทิพย์เห็นโลกสวรรค์เห็นโลกอบายเห็นโลกนรกได้เราจึงเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี้ถ้ามองไม่เห็นเวลาเดินไปไหนมาไหนก็มักจะเดินไปชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้ หรือไปตกหลุมตกบอ่อหรือถูกรถยนต์ชนได้เพราะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆคนตาบอดเวลาไปไหนจึงต้องอาศัยคนตาดีนำทางพาไปถ้ามีคนตาดีพาไปโอกาสที่จะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปเดินชนสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือตกลุมตกบอ่อ ก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะมีคนตาดีที่มองเห็นหลุมเห็นบ่อเห็นเสาเห็นต้นไม้อะไรต่างๆจึงสามารถหลีกเลี่ยงการเดินไปชนหรือไปตกหลุมตกบ่อได้ชั้นใดโลกทิพย์ต่างๆชั้นต่างๆเช่นชั้นสวรรค์ชั้นนรกเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรายังมองไม่เห็นกัน พวกเราเลยไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเหมือนคนตาบอดที่ไม่รู้ว่าข้างหน้ามีต้นไม้มีหลุมมีบอ่อมีเสามีอะไรหรือไม่แต่พ้นคนตาดีนี้เขาจะมองเห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาลก็เป็นเหมือนคนตาดีท่านมองเห็นโลกทิพท่านมองเห็นร่างทิพกายทิพท่านเห็น ที่อยู่ของร่างทิพย์กายทิพย์ต่างๆอยู่ตามชั้นต่างๆชั้นที่มีความทุกข์ชั้นที่มีความสุขแล้วท่านก็เห็นว่าการที่ร่างทิพย์กายทิพย์นี้ไปอยู่ชั้นต่างๆก็เพราะว่าการทำบุญหรือการทำบาปนี่เองถ้าได้ทำบุญได้รักษาศีลก็จะได้อยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าไม่ทำบุญไม่รักษาศีลก็จะไปอยู่ในอบายอยู่ในส่วนที่มีแต่ความทุกข์นี่คือเรื่องของร่างทิพย์กายทิพย์ของพวกเราทุกคนขณะนี้พวกเราก็มีร่างทิพย์กายทิพย์แต่เราอยู่ในระดับของมนุษย์เราจึงมีร่างกายแถมมาด้วยแต่ถ้า เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราทําบุญเราทําไม่ทําบาปเรารักษาศีลได้ร่างทิพย์กายทิพย์ของพวกเราก็จะเป็นเทวดากันไปในทางตรงกันข้ามถ้าร่างทิพย์กายทิพย์ของพวกเรามัวแต่ทําบาปไม่ยอมทําบุญเวลาร่างกายนี้ตายไป กายทิพย์ร่างทิพย์ของพวกเราก็จะเป็นเ ป, นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหัรตรสาวกทั้งหลายเห็นกันแล้วท่านก็เห็นว่ากายทิพย์ของพวกเรานี้ก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันถ้าเราทำบุญไม่ทำบาป ร่างทิพย์กายทิพย์ของพวกเราก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากสวรรค์ชั้นเทพก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมจากสวรรค์ชั้นพรหมก็ไปสู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้าไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันถ้าได้ไปถึงสวรรค์ชั้น ชั้นนิพพานแล้วก็ไม่เสือ่อมไม่ต้องกลับมาเป็นพรหมไม่ต้องกลับมาเป็นเทพไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นเดราจฉานไม่ต้องไปตกนรกเหตต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับประโยชน์ถ้าเราเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็าหาพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจา้าเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของร่างทิพย์กายทิพย์เรื่องของโลกทิพย์เรื่องของตัวของพวกเราที่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไปอยู่โลกทิพย์ชั้นไหนกันเราสามารถกําหนดชั้นต่างๆที่เราต้องการไปได้เหมือนกับเวลาที่เรา จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศเราสามารถกําหนดประเทศที่เราต้องการไปได้สามารถจองโรงแรมระดับไหนได้แต่เราต้องหาเงินกันก่อนถ้าเราหาเงินแล้วพอเราอยากจะไปท่องเที่ยวประเทศไหนไปอยู่โรงแรมระดับไหนเราก็สามารถจองที่พักจองตั๋วออกเดินทางไปได้เพราะเรา มีเงินจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆชั้นใดโลกทิพย์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนการไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเราไปกันได้แต่เราต้องจ่ายค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่จะให้เราไปสู่โลกทิพย์ได้ชั้นสูงๆชั้นสวรรค์ชั้นพรหมชั้นนิพพานได้ก็อยู่ที่การทำบุญ การรักษาศีลไม่ทำบาปและการภาวนาทำใจของเราให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะสามารถทำให้กายทิพย์ของพวกเราที่ตอนนี้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้พัฒนาขึ้นไปสู่ระดับเทพระดับพรหมและระดับ พระอริยะเจ้าได้นี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทํากันได้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามีคนบอกทางมีคนนําทางแต่ถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เจอกับพระธรรมคําสอนไม่ได้เจอกับพระอรหันต์ตสาวกเราจะไม่มีคนนําทาง เราก็จะไม่รู้ว่าการกระทำอะไรของเราต่างๆเหล่านี้จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางอันไหนกันแน่แต่ตอนนี้เรามีคนมาบอกทางแล้วว่าการทำบาปจะพาให้เราไปสู่อบายนั่นคือจุดหมายปลายทางของกายทิพย์ร่างทิพย์ของพวกเราที่จะต้องไป ถ้าเราทำบาปกันถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดลัชฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกนี่คือการจองตั๋ว ไปสู่อาบายถ้าเราอยากจะไปอาบายก็ทําบาปกันเลยทําบาปแบบเดรัจฉานก็ไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานนี้เขาไม่รู้ว่าเวลาไปลักขโมยอาหารหรือไปไปกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี้เป็นบาปเพราะเขาคิดว่ามันเป็นการอยู่รอดเป็นการเลี้ยงชีพเหมือนกับคนทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พวกนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําเพื่ อ, อยังชีพเช่นมีอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายหรือมีอาชีพไปจับปลามาขายอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเดรัจฉานใจของเขาเป็นเดรัจฉานไปแล้วทั้งๆ ท, ที่ร่างกายของเขายังเป็นมนุษย์จริงแต่ใจลือ กายทิพย์ของเขานี้ได้กลายเป็นเดลฉานไปแล้วพอร่างกายของมนุษย์นี้ตายไปเขาก็จะไปได้ร่างกายของเดลฉานแล้วถ้าเขาทาบาปด้วยความโลภความจริงพอมีพอกินพออยู่ได้แล้วไม่ต้องทําบาปก็อยู่ได้แต่อยากจะรวยอยากจะเป็นใหญ่เป็นโต ก็ไปทำบาปด้วยวิธีต่างๆไปโกงบ้างไปลักทรัพย์บ้างไปโกหกหลอกลวงบ้างไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างทำบาปแล้วด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตเปรตนี้ก็จะมีความหิวความโลภอยู่ตลอดเวลาต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มคำว่าพอ ท่านถึงเปรียบเทียบเปรตเป็นเหมือนกับสัตว์ที่มีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่ากับตุ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มเพราะท้องมันใหญ่แต่ปากมันเล็กกินได้ททละเล็กเท่าน้อยกินไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มท้องไม่เต็มตุ่มเสียทีนี่คือลักษณะของกายที่ทมีความโลภที่ทำบาปด้วยความโลภ จะหาความสุขไม่ได้จะหาความอิ่มความพอไม่ได้เพราะจะหิวอยู่เรื่อยๆจะอยากอยู่เรื่อยๆจะต้องการอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไปทําบาปด้วยความกลัวกลัวเขาจะมาทําร้ายเราเราก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนกลัวเขาจะมาแย่งทรัพย์ของเราไปเราก็เลยไปแย่งทรัพย์ของเขาก่อนถ้าเราทําบาปด้วยความกลัวนี้ ตายไปก็จะไปเป็นอสูรรางกายร่างกายทิพก็จะเป็นอสูรรกายแล้วถ้าเราทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแคนอาฆาตพยาบาทเวลาใครเขาทําร้ายเราทําลายแล้วทําะไรให้เราโกรธเราก็จะคิดฆ่าเขาทําร้ายเขาด้วยวิธีการต่างๆถ้าทําบาปด้วยความโกรธเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท ตายไปก็จะไปนรกใจคือร่างทิพนี้จะถูกไฟนรกคือไฟแห่งความโกรธความเกลียดเาผาผลาญจิตใจในทางตรงกันข้ามถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้เราก็ไม่ต้องไปอบายถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราเพียงแต่รักษาศีลห้าเราก็รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ กายทริปของเราก็จะอยู่ระดับของมนุษย์ถ้าร่างกายนี้ตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ไม่ได้ไปสวรรค์ถ้าอยากจะไปสวรรค์นี้นอกจากไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญต้องมาทำบุญให้ทานเสียสละแบ่งปันมีข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ ก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นแบ่งความสุขให้คนอื่นแล้วเราก็จะได้ความสุขกับมหาเราความสุขนี้ก็เรียกว่าสวรรค์สวรรค์ก็คือที่ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อบายก็คือที่ที่มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขอบายเกิดจากการทำบาปเวลาอยู่ยังไม่ตาย ใจก็มีแต่ความทุกข์เวลาทำบาปเวลาทำบุญใจก็จะมีแต่ความสุขใจนี้คือร่างทิพย์กายทิพย์นี้เองใจอยู่สวรรค์แล้วขณะที่ร่างกายยังอยู่ในภพของมนุษย์อยู่แต่ใจได้ไปสวรรค์แล้วด้วยการทำบุญด้วยการไม่ทำบาปแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ ก็ต้องภาวนาภาวนาก็คือการทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิถ้าใจสงบใจนิ่งใจเป็นฌานเป็นสมาธิใจก็จะไปเป็นพรหมร่างกายทิพย์ก็จะกลายเป็นพรหมไปพรหมก็มีสองระดับมีรูปประพรหมกับอรูปประพรหมถ้าได้รูปประฌานก็จะได้เป็นรูปประพรหมถ้าได้อรูปประฌาน ก็จะได้เป็นอรูปภพนี่คือกายที่สำหรับผู้ที่ภาวนาทำใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌานได้ใจก็จะกลายเป็นพรมไปแล้วถ้าก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนอกจากทำใจให้สงบได้แล้วยังสอนใจให้ฉลาดได้สอนใจให้กาจัดความโลภความโกรธความหลง กาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่เป็นตัวที่ทำให้ต้องกลับมาเวียนว่า้ตายเกิดถ้าทำได้ในระดับแรกคือมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโรกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายของพวกเรานี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นร่างกายที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าไปรักไปหวงไปยึดไปติดไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็อยากจะกลับมามีร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไม่เอามันดีกว่าตัดความอยากตัดความยึดติดกับร่างกายได้ ก็จะได้เป็นพระอาริยเจ้าระดับขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันถ้าได้เป็นพระโสดาบันกายทิพย์นี้ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่าเจ็ดชาติหลังจากเจ็ดชาติหรือก่อนหน้านั้นถ้าสามารถเสริมปัญญาให้สูงขึ้นได้ก็จะขึ้นไปสู่ระดับที่สองที่สามระดับที่สองที่สานี้ก็คือ การมองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามร่างกายของคนนั้นคนนี้ถ้าเรามองด้วยสายตาที่ไม่มีปัญญาเราก็จะเห็นว่าเขาสวยเขางามแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาเราก็จะมองทะลุเข้าไปข้างในของร่างกายเราก็จะเห็นอวัยวะต่างๆเห็นโครงกระดูกเห็นตับเห็นไตเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นลำไส้ เห็นอาหารใหม่อาหารเก่าเห็นอุจจาระเห็นปัสสาวะเห็นอะไรต่างๆที่ไม่ได้ดูหน้าชมอันนี้เป็นเป็นปัญญาเป็นความฉลาดที่จะทำให้ตัดตันหาความอยากที่จะเสพกามคืออยากจะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้ผู้ใดสามารถมีปัญญามองเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้ ก็จะตัดความอยากที่อยากจะอยู่กับแฟนอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาได้เพราะจะเห็นว่าสามีหรือภรรยานี้มีแต่ของที่ไม่น่าดูซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเหมือนกับมีห่อของขวัญที่เขาห่ออย่างสวยๆแต่ในห่อนี้เขาใส่อุดจร ะ, ะไว้ถ้าเราไม่เปิดหอึ้นมาดูเราก็จะไม่เห็น เราก็จะคิดว่าห่อนี่ใส่ของขวัญใส่ขนมน่ากินน่าอร่อยเราก็อยากจะได้แต่พอเราแกะกล่องออกมาดูปั๊บเราก็จะโยนทิ้งไปเลยฉันใดถ้าเรามองเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังต่อไปเราจะไม่อยากอยากจะมีแฟนอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาเพราะว่าเราจะเห็นว่า เขาไม่สวยเลยเขาสวยเพียงแต่ข้างนอกเหมือนสวยแบบกล่องที่ห่อของขวัญไว้แต่พอเปิดกล่องเข้าไปดูมีแต่อุจจาร ะ, ะมีแต่ของโสปกปรกสองไม่ของไม่น่าดูนี่คือปัญญาระดับที่จะทำให้เราตัดกามตัณหาความอยากในกามได้ถ้าเราตัดได้เราก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สาม เรียกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีนี้ก็ไ ม, ไม่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะไม่รู้จะมากับกลับมาเกิดหาอะไรเหตุที่พวกเรามาเป็นมนุษย์กันเพราะเรายังอยากจะมีสามียังอยากจะมีภรรยายังอยากจะเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังเราจึงต้องมีร่างกายเพราะเวลามีร่างกายก็จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้น ไว้สำหรับเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองแต่พอเราตัดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ไม่อยากจะมีร่างกายไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วเราก็จะไปตัดกิเลสตัวสุดท้ายก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงว่าใจของเรานี้ ไม่ได้เป็นตัวเราของเราใจของเรานี้เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าตัวรู้ผู้รู้เจ้านั้นถ้าเราเห็นว่าใจนี้เป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนเราก็จะละอวิชาความหลงยึดติดกับใจได้พอเราไม่ยึดติดกับใจเราก็จะหลุดพ้นเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป อันนี้คือเรื่องของใจของพวกเราที่เป็นร่างทิพย์กายทิพย์ที่จะขึ้นขึ้นลงลงไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่เราทำกันถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราก็จะทำอะไรไปตามอารมณ์ของพวกเราซึ่งส่วนใหญ่อารมณ์ของพวกเรานี้ จะเป็นอารมณ์ไม่ดีจะชอบทำบาป ก, กันจะไม่ชอบทำบุญกันจะชอบเสบรูปเสียงกลิ่นลดชอบเสบการกันจะไม่ชอบนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็จะร่องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่สูงสู ง, สงต่ำต่ำถ้าทำบาป ก, ก็ไปเกิดในอบายถ้าทำบุญก็ไปเกิดในสวรรค์ แต่แม้ว่าจะอยู่ในอบายหรือในสวรรค์เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้พวกเราในพาใจของพวกเราให้ไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้ เป็นเหมือนอยู่ในกองไฟพอเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายกันเวลาแก่ก็ทุกเวลาเจ็บก็ทุกเวลาตายก็ทุกแต่ถ้าไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็จะต้องไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายสิ่งนี้เราจะได้ยินได้ฟังก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอ พระพุทธเจ้าก็ดีเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเจอพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ดีถ้าเราได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งแล้วเราก็จะได้มีคนตาดีบอกทางนำทางพาให้พวกเราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการแก่การเจ็บการตาย ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการพลากจากกันแต่ถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีใครบอกเราให้เราทําอะไรตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนาท่านก็สอนให้เราทําบุญให้เรารักษาศีลให้เราภาวนาสามอย่างนี้องของง่ายๆทําทไปเรื่อยๆแล้วก็จะพาให้เราไปถึงพระนิพพาน ทำบุญไปตามกำลังถ้ามีเงินเหลือก็ทำไม่มีเงินเหลือก็ไม่ต้องทำการทำบุญนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปหาเงินมาเพื่อมาทำบุญแต่ให้เราทำบุญให้เอาเราเอาเงินที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี่มาทำบุญถ้าไม่มีเหลือกินเหลือใช้ก็ไม่ต้องทำก็รักษาศีลไปต่อได้เลยถ้าไม่มีเงินทำบุญก็ไม่ต้องทำบุญรักษาศีลไปอย่าทำบา ถ้ามีก็ทำถ้ามีบุญถ้ามีเงินก็ทําส่วนใหญ่พวกเรามีกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่ไม่ชอบทํำชอบเอาไปซื้อของเล่นของกินชอบเอาไปเที่ยวกันมากกว่าเอาไปซื้อกิเลสตัณหากันแทนที่จะซื้อสวรรค์ซื้อนิพพานกลับไปซื้อการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายก็เท่ากับกาเป็นการจองตั๋วไป ไปเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดกันห้เอาเงนินที่เราไปเที่ยวไปซื้อของกินของเล่นนี้มาทาบุญกันแล้วเราจะได้ตัดพบตัดชาติแล้วเราก็จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงคือชั้นเทพจากชั้นเทพถ้าเรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วถ้าเรา ใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนใจของพวกเราให้ฉลาดไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วก็จะได้ไปสู่พระนิพพานในที่สุดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาได้รับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับจากพระอาลันตสาวก ที่พวกเราไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปเพราะนานๆโอกาสอย่างนี้จะมีสักครั้งหนึ่งการได้มาเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ยากกว่าการถู ก, ถกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้ยังง่ายกว่ากับการที่ได้มาเป็นมนุษย์ได้มาเจอพอระพุทธศาสนานเพราะถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วได้เจอพอระพุทธศาสนานเราก็จะได้นิพพานกัน ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้ถึงแม้ว่าได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้เป็นมนุษย์ก็เหมือนกับคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ไปขึ้นรางวัล <Okay. S 1> ถ้าไม่ได้ขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ใบนั้นก็เป็นกระดาษเปล่าถ้าเอาไปทิ้งไปก็ทำอะไรไม่ได้ <Okay. S 1> ต้องเอาลอตเตอรี่ใบนั้นไปขึ้นรางวัลฉนันใด การมาเกิดเป็นมนุษย์การมาพบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการถูกรางวันที่หนึ่งก็คือพระนิพพานถ้าเราต้องการพระนิพพานเราก็ต้องไปขึ้นรางวันวิธีขึ้นรางวันก็คือต้องทาตามที่พุทธเจ้าสอนให้ทําบุญทาทานให้รักษาศีลให้ภาวนาไปแล้วเดี๋ยวก็จะได้รางวันนี้เหมือนกับเราถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งเราก็ต้องไปที่กองสลาก ไปกองสลากไปไปขึ้นเงินเอาลอตเตอรี่ไปเอาบัตรประชาชนไปให้เขาดูยืนยันพอเ็เห็นว่าเราเป็นคนนี้จริงเป็นเจ้าของลอตเตอรี่จริงเขาก็จะให้รางวัลกับเราฉันใดถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานเราอยากจะไปเป็นพระอริยบุคคลเราก็ต้องพยายามทาบุญทำทานอยู่เรื่อยๆ ร, รักษาศีลอยู่เรื่อยๆภาวนาไปอยู่เรื่อยๆ รับรองได้ว่าจะไปถึงพระนิพพานอย่างแน่ น, นอยเพราะมีคนทําอย่างนี้ไปถึงกันมามากมายแล้วคือพระอาหลานตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละเป็นคนมีกิเลสตัณหาเหมือนกันแต่พอได้ยินได้ฟังพราะทาคำสอนของพ่อปเจ้าก็เกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อแ ล, แล้วก็ทตาตามทาไปทีละก้าทีละก้า เยี๋ยมันก็พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางเองอย่ามองไประยะทางว่ามันไกลถ้าเรามองว่ามันไกลเราจะอาจจะเกิดความท้อถ้าเรามองว่าโอ๊ยกว่าจะไปถึงวันิี่ผานได้ต้องไปบวชชีบวชพระพอเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่อยากไปละอย่าไปคิดอย่างนั้นขอให้เราทำทานไปรักษาสิงไปแล้วก็หัดนั่งสมาธิไปพอมันก้าวหน้าแล้วมันอยากจะบวชเอง มันจะเห็นว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการบวชอยู่แบบคารวะนี้อยู่กับความวุ่นวายอยู่กับปัญหาอยู่กับความทุกข์ต่างๆสู้ไปบวชอยู่คนเดียวหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าแต่ต้องทําบุญทำทางรักษาสีดก่อนถึงจะก้าวขึ้นไปสู่การภาวนาได้พอเราภาวนาแล้วเราได้รับผลเราก็อยากจะอยู่คนเดียว อยากอยู่ในป่าในเขาก็ไปอยู่วัดดีกว่าไปบวชเป็นชีเป็นพระดีกว่าเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่เพื่อที่เราจะได้ไปถึงพระนิพพานภายในภพในชาตินี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทำกันได้ขอให้เราเริ่มทำกันก็แล้วกันเริ่มทำบุญทำทานเริ่มรักษาศีลเริ่มหัดภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบกัน แล้วรับรองได้ว่าเราจะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้ไปถึงพระนิพพานกันมาแล้วนั่นเองถ้าเราปฏิบัติแบบนี้เราก็จะไปถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดด้วยศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติตามคำสอนเพื่อประโยชน์สุขคือพระนิพานที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีลัตนาตรายและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ด้านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วกล้าปลอดภัยและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยทั่วหน้ากันเธอ